พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7มกราคม2559มีชื่อเรื่องว่ามีเพียงแค่ธรรมที่จะนำออกจากทุกข์ ขณะสัตยาญาโยมวันนี้หนังสือออกมาใหม่นะออกมาวันที่หนึ่งออกมาสู่วันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันที่เจ็ดม ก, กราคมพุทธศักราช2559ห้าปีใหม่มาได้เจ็ดวันหลวงพ่อลงมา กรุงเทพเขาในอย่างที่โคศกอาจารย์เจริญได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังหลวงพ่อลงมาตั้งแต่วันที่5แล้วก็ไปพักอยู่วัดของท่านพระอาจารย์สมชายลบบุรีนะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาจากนั้นก็ได้ตอนเช้าเมื่อวานนั้ก็ไปฉันรับนิมนต์ไปฉันอยู่ที่โรงพยาบาลอานาันทามหิดลจังหวัดลบบุรี เป็นโรงพยาบาลทหารที่พออ่ออของท่านจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาของเราเนี่แหละก็รู้จักมากคุค้นกันก่อนนิมนต์ลงมาหลวงพ่อก็ได้รับนิมนต์ก่อนรู้สึกว่านายทหารทั้งหลายพวกแม่บ้านกลุ่มทหารทั้งหลายในโรงพยาบาลมาทําบุญมากมายเมื่อวานนี่แต่เสร็จแล้วหลวงพ่อตามไม่จริงหลวงพ่อจะกลับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะกลับขึ้นไปวัด แล้วก็จะกลับลงมาอีกวันที่8ปแต่หลวงพ่อไม่ไหวนะถ้าจะขึ้นไปนะกลับลงมาหลวงพ่อก็เลยทะเลถลายมาพักที่สวนเฉลิมธรรมออตั้งแต่เมื่อวานนีจากนั้นก็เป็นอย่างที่โคศกได้พูดให้ฟังออชั้นที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างนะออแต่คงจะลงยู่หลายวันขราวนีคงจะกลับวันที่ออสิบสิบเดบด อันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนลูกหลานติดตามดูนะเราะมก็ออกอยู่ในสื่อสื่ออยู่แล้วนะแต่ก็คืนวันที่เออคืนวันที่เก้า่ะจะเกิดมีการสวดมนต์เย็นวันหนึ่งให้พวกเราติดตามก็แล้วกันแล้วก็หลวงพ่อคงจะกลับแต่วันนี้หลวงพ่อลงมาจะมีการแจกหนังสือห น, ะนังสือเล่มนี้นะหนังสือเป็นหนังสือ ธรรมเทศนามักคาสู่ความบริสุทธิ์ที่หลวงพ่อแสดงธรรมต่างกลธมต่างวาระให้ลูกหลานไปศึกษาดูซินั่นเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเนี่ยนะเรื่องภาวนาเป็นยังไงและก็เมื่อคืนก็มีพระมาจากวัดโปวอนท่านถวายเอ3มพสามให้หลวงพ่ออีกวันหนึงหน่งวันนี้หลวงพ่อก็เลยมาแจกพร้อมๆกันคิดว่าน่าจะเพียงพอสาหรับพวกตถาญาติโยม ที่มาในวันนี้วันนี้จะมีแจกสองอย่างแล้วก็วันวันที่สามสิบงานของหลวงตานะสิ้นเดือนสิ้นเดือนม ก, กราเป็นวันครอบรอบวันบรรณภาพองค์หลวงตาสี่ปีเต็มแล้วงค์ใหญ่ย่างปีที่ห้าล้ท่นี้นะวันนั้คณะสัตยาญาณโยงลูกหลานทุกคนเนะี่ยขึ้นไปทําบุญร่วมทําบุญในงานหลวงตาอย่ากทามีถ้าไม่ถ้าไม่มามาจำเป็น ให้ขาดก็ควรไม่ควรจะขาดนะน่ะควรจะขึ้นไปแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะมีหนังสือแจกอาจจะแจกก่อนหรือว่าแจกที่หลังนอกนั้นน่ะแต่หลวงพ่อไม่มั่นใจว่าจะไปแจกที่งานคงจะไม่แจกที่งานของโรงตาหรอกนะ mm. ่ะพาะจะมีคนแจกเยอะแยะไปหนังสือธรรมะของโลวงตาแต่หลวงพ่อจะแจกเล่มนั้นเล่มวันที่สา3สิบสามสบเอวันครอบ คือองหลมตาไปแสดงธรรมที่วัดป่านาคำน้อยต่างกลมต่างวาระนะที่ท่านได้ไปแล้วก็พวกเราก็อัดทั้งอัดทั้งกลัวด้วยนั่นแหละที่ท่านแสดงธรรมที่ท่านเทศให้ฟังแต่ก็ให้พระท่านถอดออกมาถอดเทพออกมาจุดไหนที่จะเป็นสารประโยชน์นะหลวงพ่อจะได้ให้พระเขาอัดให้เขาถอดออกมาเป็นตัวหนังสือจากนั้นก็จะมาพิมพ์พิมพ์เป็นหนังสือแจก ในวันที่จะถึงนี่แหละอย่างที่หลวงพ่อได้โพสต์วันที่3 0มสิามเพกราะนะ่เนให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมคงจะแจกอีกหนังสืออีกครอบนึงแต่หนังสือที่หลวงพ่อแจกทั้งหมดเนี่ยได้ทุนมาจากไหนก็คือท่านองค์ข้ามลตรีดเรเฉาท่านบอกว่าหนังสือธรรมะถ้าคิดว่าท่านอาจารย์คิดว่าเป็นประโยชน์ เป็นท่านเน้นเรื่องธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นแล้วก็นเน้นธรรมเทศนาของปู่ขาวเน้นธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวเน้นธรรมเทศนาของหลวงปูชา4องค์เนี่ยที่ท่านที่ท่านอยากจะให้พิมพ์เป็นธรรมะเผยแผ่แก่พี่น้องประชาชนแก็มีผู้ถามเหมือนกันว่า ของหลวงพ่ออินเออลยหลวงพ่ออินอยู่ในป่วยเอาเลยจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ท่านกวไหอย่างงั้นค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีหนังสือออกมาเป็นระลอกระลอกก็คือเป็นหนังสือธมุนิธิกปิริยนาศีลวันพิมพ์ออกมาทั้งมีทั้งซีดีด้วยมีทั้งหนังสือด้วยที่มาแจกพี่น้องประชาชนแต่ถึงยังไงถาว่าพี่น้องประชาชนจะมีศรัทธาสมทบเข้าไป ห <c oughs> ลวงพ่อก็จะสมทบเข้าไปในมูลนิธิเพราะเป็นต้นทุนเผยแผ่ธรรมะธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมอ่านดูนะก่อนที่จะออกสู่ตลาดเนี่ยพระศรัทธาญาติโยมผู้เกี่ยวข้องก็กรองแล้วกลั่นอีกกลั่นแล้วกรองอีกนะตรองและไตรอีกไตร ต, ตรองจนพอแรงจะไปออกเป็นหนังสือออกมาเพราะนั้นให้พวกเรา แผู้ที่ได้รับไปพอให้เอาไปเพื่อการศึกษาเรียนรู้เพราะหลวงพ่อเองมองไม่เห็นอย่างอื่นแต่อย่างนี้ในะวันนี้นะทางวันรวยอย่างนี้นะมีข้าตมขออนมมาอย่างนี้นะถ้าทาญาติโยมถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อกับฉันเพียงอี่มเดียวจากนั้นหลวงพ่อกับแจกให้คณัาทายญาติโยมเอาไปทานเอาไปฉันพ่อรับประคนของแล้วเราจะเอาไปฉันวันพุธนี้ไม่ได้นะปรับอบวบปายจิตติผิดศีลขาดศีลไปข้อหนึ่ง พิกษุรับประเคนอาหารแล้วนําเอาไปฉันวันพุ่งนี้จะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตามเป็นนมเป็นอาหารขนมก็ตามถ้าเราไปฉันวันพุ่งนี้เป็นอาบัติปาจิตติพระพุทธเจ้าไม่ให้สะสมสะสมของอยู่ของกินเป็นพรานะเพราะฉะนั้นเวลาศรัทธาญาติโยมมาถวายวันนี้นะหลวงพ่อได้รับแล้วก่แจกกันเพราะแจกกันเสร็จแล้วก่อ แจกออกไปหาศรัท ธ, ธาญาติโยมที่หลวงพ่อเก็บไว้ส่วนหนึ่งนี่นก่อนเนะ่ยสดพ่อหลวงพ่อก็จัแจกอีกมาแจกหมดอีกเหมือนกันเก็บไว้อีกไม่ได้ฉันอีกไม่ได้อาหารที่เก็บไว้เนี่ยก็ เ, เพื่อแจกศรัท ธ, ธาญาติโยมที่มาที่หลังบ้างผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุบ้างที่จะให้กับผู้ใดเนี่ยคืออาหารของพระนะหลวงพ่อมองมองดูแล้วว่ า, าการอาหารกา ร, รบริโภค พอทานอาหารแล้วอิ่มท้องกระจบเป็นวันหนึ่งแต่ให้หนังสือธรรมะเนี่ยที่หลวงพ่อจะแจกเป็นธรรมะแจกหนังสือจะแจกเอ็มพีซับธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นานเท่านานถ้าเราะว่าพวกเราสนใจใ่ในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้ได้มาหนังสือมาแล้วเขามาอ่านมาศึกษาจากนั้นก็สอนตนพอสอนตนไม่ได้ก็สอนคนอื่น อย่าติโกโหติการลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดเอนทําอย่างนี้มันไม่ถูกเนอะลูกหลานทํางั้นมันถูกเนอะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงกล้าแนะนําสั่งสอนลูกหลานของเราได้เพราะอะไรก็เราได้การรับการศึกษาแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการศึกษามีแต่ทำมาค้าขายแต่ละวีแต่ละวันไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาธรรมะแนวความคิดเฉลยเวลาสอนเขาก็ไม่ได้ไม่รู้จะสอนอยังไง มีแต่มีแต่อารโหโหโกโทโกธาถ้าเขาทําไม่ถูกใจมีแต่เอ้ยเฮ้อยู่เอมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมล้วก็ปกต้องเบียบเทียบให้ฟังใช่ว่าอันนี้มันผิดนะลูกหลานนะแนวแนวประเพณีของครูบาอาจารย์พระพุทธศาสนาเนี่ท่านสอนอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สรงคนวุฒิท่านสอนท่านแนะนําสั่งสอนอย่างนี้นะลูกหลานนะอย่างลูกพ่อที่จะดูพระก็เหมือนกัน พอจะดูพระให้ที่ไหลหลวงพ่อกันมองดูเบื้องบนเหมือนกันมองดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยพาดําเนินมาอย่างไรท่านพาแนะนําท่านสอนยังไงท่านถูกด่าว่าเก่าวหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อก็ได้นําทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดูด่าว่ากล่าหลวงพ่อหลวงพ่อกันนะลูกหลานได้หลวพ่อเนี่ยเคยโดนดูมาแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้ลูกหลานอย่าทํานะ พวกเราต้องถ้าเข้ามาศึกษา <S 2> <S 2> <S เข้ามาศึกษากับหลวงพ่อแล้วพวกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติตนดังนี้เพราะว่าหลวงพ่อได้ศึกษามาอย่างนี้ถ้าว่าพวกท่านปฏิบัติตนไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกเก่าหนีอย่าอยู่ที่นี่นะเพราะว่าตรงเนี้เป็นตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาหลวงพ่อก็ได้รับการฝึกมาอย่างนั้นเพราะท่านพวกหลวงพ่อต้องฝึกต่อไปอีกเพือ่ อ, อ, พอเป็น อย่างอย่างของลูกของหลานของพระของเนนต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อก็จะเด็หลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะเวลาหลวงพ่อจะพูดอะไรจะแนะนําสัมสอนพระเนรของหลวงพ่อหลวงพ่อจะต้องมองดูครูครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อซะก่อนเพราะนั้นครูบาอาจารย์จุดนี้ก็คือเนี่ยตำรับตาราหนังสือทั้งพวกเราจะไม่ได้อยู่องค์หลวงตาไม่ได้อยู่กับหลวงปู่หล่าไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือขึ้นมา พวกเราถาาบอกใยในการศึกษาเรียนรู้พวกเราไปจะอ่านอ่านหนังสือจากนั้นก็นําไปแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนั่นหละุงพ่อเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นลุงพ่อจึงได้ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าให้ทำมะดกืละให้หนังสือแลอให้ MP3 ถ้าวอรลูกหลานไฟในการศึกษานะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเหมือนกัน ไก่แจ้เห็นพลอยไปเห็นพลอยไก่แจ้ตัวหนึ่งไปหาอาหารในชายป่าไปาอาหารในชายป่าเขีย่ยหาอาหารไปเม็ดไปพบเม็ดพลอยเม็ดหนึ่งสวยงดงามไก่แจ้ตัวนําก็เลยบ่นขึ้นมาในใจว่าเอ้ยพลอยเอ้ยถ้าหาาเจ้าอยู่ในหัวแหวนของมนุษย์นะ เข้าเจ้างคงจะมีคุณค่ามหาศาลแต่บัดนี้สําหรับเราเนี่ยเราเห็นเม็ดพลอยเม็ดนี้นะ่ะสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้เ พ, ออไเพราะอะไรเพราะค่ากินก็ไม่ได้ไมีแต่เห็นทนั้นเองเออสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะนะถ้าเราจะเปรียบเทียบถ้าว่าเราได้หนังสืออะไรใได้หนังสือธรรมมักไปแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจ มีแต่หาอยู่หากินเป็นวันๆไปก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับพวกเราเนี่ยถ้าว่าพวกเรารู้จักคุณค่าของการเรียนการศึกษาการเรียนรู้จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อต่อพวกเราท่านทั้งหลา ย, เ, ยเพราะนั้นอย่างที่ลบงพ่อเคยเล่าเคยกล่าวถึงอาหารการบริโภคของพวกเราปัจจัยจ4เนี่ย ถึงจะมากขนาดไหนอาหารการบริโภคดีขนาดไหนผ้านุ่งผมดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนที่พักพาอาศัยหูหราโออาร์ดีขนาดไหนเลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงไปขนาดไหนก็อีกสักวันนะก็เห็นผมขาว ข, าวขึ้นมาลนะอายุ 3- 4มี่ปีเห็นผมขาวเส้นสองเส้นผลฉุดกขาวหมดทั้งหัวน ะ, ะต่อไปก็เห็นตาฟ้าฟางของตนเอง ต่อไปก็เห็นหูตึงต่อไปก็เห็นฟันหลุดต่อไปก็เห็นหนังเหี่ยวต่อไปก็เห็นหลังฟ้องต่อไปได้เห็นไม้เท้าจะเดินไปที่ไหนต้องชักไม้เท้าง้องกันนานกปเลยเพราะในส่วนของเป็นปนอนโรงพยาบาลไม่ไหวเอ่นี่แหละเลี้ยงก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงรยง่างกายบรรทึงถึงคราวหนึ่งถึงจุดจบให้ได้ถึงข่าวตายให้ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเลี้ยงร่างกายเลี้ยงพอประมาณกระพอแล้วล่ะ แต่เลี้ยงจิตใจเนี่ยคือหาธรรมะเข้าสู่จิตใจนั้นเลิ่ประเสริฐกว่า <_ an> หาศีลหาธรรมหาสมาธิศีลสมาธิปัญญาหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนั่นแหะเลิ่ประเสริฐกว่านี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาทําบุญทำทานอย่างวันนี้นะ <_ an> มาการสร้างมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะนะกสัตยาธิรมุ่งลูกหลานเมื่อ <_ an> สร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราในเมื่อพวกเรามีบุญมีกุศลนั่นแหะ เมื่อเราจากโลกนี้ไปบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราเราคิดดูสิว่าใครจะเป็นเพื่อนสองของเราไม่มีหรอกเออถ้าเป็นเราทำบาปบาปนะ่ะจะเป็นเพื่อนสองจะเป็นผู้เคียงข้างสำหรับเราบาปจะพาไปทางต่ำนะเออไปไปส่วนส่วนใจของเราไปไปตกนระกเราเราทำบาปแล้วเนี่เอออย่างที่ที่ลงตาท่านพูดนะนะกีเลตไม่มีหรอกที่จะ ส่งเสริมให้เป็นให้คนเป็นคนดีทุกเท่าไรก็ยิ่งซ้ำทุกเขาไปอีกทุกเท่าไรยิ่งทุกเขาไปอีกกิเลสไม่มีหนที่จะปล่อยวางส่งเสริมให้พวกเรามีความสุขกายสุขใจมีธรรมะเท่านั้นแหะที่จะนำสูงพยุงจิตใจของราให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญแต่กิเลสจะมีแต่ขยําลงเหยียบลงไปเรื่อยๆกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ ถ้าพวกเราตามหนูสิเออติดตามกิเลสทำส่งเสริมกิเลสลาคให้มากๆากที่เออบางทีทำส่งเสริมกิเลสโทสะให้มากๆาาที่ทกโกรธแล้วยังไม่จะฆ่าคนจังฟันยังปืนยิงเขาเองเนี่ยนี่แหละเออยิ่งทบกลงไปเรื่อยๆเลยเอ่อถ้าเป็นมนุษย์ก็เนี่ยตเข้าคุกเข้าตลาดเออเข้าคุกเมืองอุดรแล้วยังมาแล้วเข้าคุกเมืองกรุงเทพเนี ล่ายาวบางขวางไปอีกเลือดลงไปอีกฮะเพือเผยถึโทษประหารเนี่ยว่าน่ะกิเลสมันให้โทษมันพุ่เนี่ยไปอย่างนันแต่คนที่ทําคุณงามความดีแหละมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ได้รับยกย่องสรรเสริญจากพี่น้องจัตตาญาติโยมพูกเกี่ยวข้องพวกอะไรเพราะทำคุณงามความดีเพราะนั้นพวกเราพวกทุกท่านนะให้ประกอบคุณงามความดีนะคณะสัทายาญาติโยมลูกหลานเมื่อได้นังสือธรรมะไป เอาไปอ่านเอาไปศึกษาแต่หลวงพ่อเนี่ยได้นังสือมาหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะให้อ่านพวกเล่มนะไม่ใช่นะนังสือเข้าไปสู่วัดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะตรวจราดูสะก่อนว่าอันนี้เป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหมเนี่ยนังสือเล่มนึงแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหมเนี่ยอถ้าหากว่าไม่แนวเลยเอาออกไปไฟผลไฟทิง้งสมไฟทิง้งหรือผลให้เจ้าของเข า, เาบางคนเขาขมันนังสือ เอาหนังสือเล่มนี้จะมาแจกในหลวงพ่อหรือว่เอ้ยหลวงพ่อฟังดูแล้วปฏิปทาของพระองค์นี้เราไม่ได้ไม่ได้อย่าเอามาแจกเสียหายเสียวัด อ, อย่าเอามาไปเอากลับคืนไปหลวงพ่อก็บอกทันทีเนละถ้าเป็นหนังสือองค์หลวงตาบอก่านกปูร่าทุกวัน น, นี้กับหนังสือเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชหลวงพ่อจะเอาเอาข้าแดเอาเข้าในห้องสมุดเลยหรือวา่าหนังสือธรรมะประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยนะ ที่ท่านพิมพ์ออกมาเอออันนี้ใช้ได้หนังสือธรรมะจริงหลวงพ่อได้ศึกษาเอาเข้าห้องสมุดนั้น เ, นเองเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเนี่ยเพราะอันหลวพ่อ อ, น, อ น, นั้นหนังสือธรรมะ ก, ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพวกเราได้มาที่ไหนก็มาอ่านแล้วปฏิบัติไปเพ้เผล อ, เ ป, อ, เ, ปอเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบอไดไง้ง่ายๆอีกเหมือนกันนะตำราทุกวันนึงเพราะนั้นลูกหลานศึกษาเพราะฉะนั้นลกของพ่อเองจริงแนะนำว่าอย่าไป น, นิจากแนวแถวของดวงตาเนาะ เอออย่าเป็นแนวหนีแนวแถวของหลวงตาถ้าปฏิบัติตามแนวแถวหลวงตาปฏิบัติแล้ว น, นนะะคือสายตรงหลวงพ่อโคตรใจอย่างนั้นออพอหลวงพ่อศึกษามาสายนี้หลวงพ่อจะไปแนะนําสายอื่นก็ไม่ได้แต่หลวงพ่อก็มั่นใจแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกองค์งที่ฝ่ายปฏิบัติพระกรรมาฐานท่านก็มั่นใจว่าสายแนวแถวองค์หลวงตาพาปฏิบัติมานี่ยนะเป็นคำทำคาสอนที่ถูกต้อง ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามแนวแถวทำคําสอนของหลวงตาแล้วนะมีแต่ความเจริญทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาของหลวงตาปอกออกทุกวีทุกวันในสถานีวิทยุหลวงพ่อมั่นใจว่านะทางที่ถูกต้องลูกหลานควรจะศึกษานะถ้าว่าศึกษาในน้ำธรรมเทศนาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่หลวงพ่อพิมพ์หนังสือออกไปเนะี่ยแหะเกร็ดไหนมันไม่ลงรอยกับองค์หลวงตา มันฝืนกับธรรมเทศนาของหลวงตาแต่ลูกตาพูดอย่างหนึ่งลูกพ่ออินพูดไปอย่างหนึง่งน่หลวงพ่อก็อยากจะรู้อีกเหมือนกันว่าตรงไหนให้ลูกหลานตรวจตราดูถ้าว่าตัวตาคือหลวงพ่อจ ะ, จะจะต้องทําความเข้าใจในจุดนี้มันเป็นยังไงหลวงพ่อก็จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอีกเหมือนกันตรงพ่อมั่นใจว่าธรรมเทศนาของหลวงตาเป็นธรรมเทศนาที่ ผู้ปฏิบัติตามแล้วจะได้รับความร่มเย็นผาสุกน่ลูกหลานเน้อวันนั้นหลวงพ่อมาแต่ละครั้งก็มาเอาหนังสือมาแจกศรัท ธ, ธายาโยอามสรุปแล้วก็คือเพื่อให้ประดับสติปัญญาบารมีของศรัท ธ, ธาญาติโยมเนี่ยให้ได้ศึกษาถ้าได้ศึกษาธรรมะแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกทางด้านจิตใจนั่นะนะคนเราเนี่ยจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง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 ในการได้ฟังอัดฟังทำรรสุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรพบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหน เ, เป็นหลักธรรมไหมหรือเป็นหลักกิเลสหรือเป็นหลักอะไร เ, เราก็กันกองตราต่องอีกจินตามมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาทาจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งซะก่อน เมื่อจิตใจผ่านความสง บ, บแล้วนำมาพิจารณาการกรองไตรตองเรื่องนั้นๆเป็นปัญญาที่แท้จริงนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังในะการศึกษาและลูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาิโยมทุกคนนะอย่างที่หลวงพ่อได้ยกได้กล่าวให้ฟังต่อนนี้ไปพระสองฆ์อนุโมทนาให้พรวันนี้รู้สึกว่าถึงจะเป็นวันธรรมดา แต่คณะศรัทธทาญาติโยมมาทําบุญคนนี้โอ้ล้นหลามนะลูกหลานนะทุกใครในบุญนหลายๆนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะพรปีใหม่นะแต่ยังเป็นพนปีใหม่อยู่นะยังไม่ยังไม่พ้นเดือนมกรานะยังเป็นพรปีใหม่อยู่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรให้พวกเราทิดส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกราระคุณคือคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคณะ ญ, ญาติญาติสหายของพวกเราเนะปีใหม่นะ